ก็กาบบูชาพระรัตนตรัย <c oughs> กาบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความเคารพมายังหลวงพ่อกลมพระอาจารย์วัฒนาชัยพันเตเพื่อนศาสธรรมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็อุบาสิกุบาสิกาทุกท่า น, นก็นั่งกันตามปกติ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นนะสำหรับกลุ่มปฏิบัติประจำเดือนอกลุ่มปฏิบัติเข้มนะครับเพิ่งจะเลิกไปเมื่อช่วงตอนเช้านะของวันนี้กลุ่มเข้มนี่มาประมาณ8 0ดสิบกว่าคนกลุ่มประจำเดือนมาส8คนเลขมันกลับกันเลยนะแปดสบแปบปดก็ ไม่ไม่ได้สำคัญเรื่องจำนวนเนาะตัวเลขแล้วก็ไม่ได้มุ่งที่จะพูดเฉพาะกลุ่มคนมาปฏิบัตินะก็ะถือว่าผู้ที่มาอยู่วัดป่าสุขกโต <c oughs> ก็คงจะมีเป้าหมายมีความตั้งใจนะเหมือนเหมือนกันนะที่เราจะมาอาศัยใช้สถานที่แห่งนี้ ในะในการที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องชีวิตนะเรื่องตัวจิตตัวใจของเรานะซึ่งวัดป่าสุกโตเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมนะก็คือเป็นสถานที่ที่สงบสงัดพอสมควรนะเรียกว่าสปายะนะเป็นสถานที่เหมาะที่จะให้เราได้มา ใช้ชีวิตใช้การฝึกตัวเองใช้การที่จะเรียนรู้ตัวเราเองโดยเฉพาะยงยิ่งคนที่ทํางาน <c oughs> อยู่ในสังคมก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเคร่งเครียดบางคนก็มีความทุกข์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราทุกค น, นคงได้ประสบพบเห็น ก็ถือว่ามาพักผ่อนกันแล้วกันนะมาพักผ่อนกายพักผ่อนใจนะแล้วก็ได้มาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเราการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยนะก็มีกันหลายแบบหลายวิธนะีในประเทศไทยก็มีอยู่สี่ห้าวิธีล่านะจะเป็นยุคหนอพองหนอสัมมาละหังพุโทโธ นาณาปนสตินะแล้วก็วิธีที่เราฝึกกันที่นี่ก็คือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวทุกวิธีเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันนะในการที่จะให้เราเนี่ยกลับมาที่กายที่ใจของเรานะครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ยท่านมีกุศโลบายนะหรือว่าอุบายนะที่จะให้เราเนี่ยกลับมา อยู่ที่กายที่ใจของเราจะเป็นพุทธโธก็ดีสัมมาหลังก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีอานาปนาสติก็ดีนะหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวแต่ว่าความแตกต่างในะสิ่งที่เราจะเจนได้ก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันาจะต่างกันนะส่วนใหญ่ที่เราได้พบได้เจอนะส่วนใหญ่ก็จะพยายาม ให้เรานั่งนิ่งๆนะให้เรานั่งหลับตาเพื่อให้ใจสงบนะพอใจสงบได้สักระยะหนึ่งสติเราตื่นเราก็ไม่สงบแบบสยบไปเลยนะก็คือไม่สงบแบบสยบนิ่งไปเลยสงบแบบส ย, สยบนิ่งก็คือไม่ต้องคิดอะไรนะเราคิดว่าอันนั้นเนะี่ยคือเป้าหมาย นะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเพียงจุดทีเ่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะถ้าสติเราไม่ดีเราก็จะจมอยู่ในความสงบอีกนะตรงนั้นก็จะไม่เกิดปัญญาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ศึกษากันต่อไปเราจะพบว่าเมื่อสงบในระดับหนึ่งเราต้องถอนตัวออกมาพิจารณานะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนะของ ความคิดของจิตนาที่มันคิดไปต่างๆนานาแต่เนื่องจากเราอาจจะมีสติไม่เต็มที่ยังไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นเราก็ถอนตัวออกมาไม่ได้ก็จมไปอยู่ความสงบแต่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนนาของการฝึกชนิดที่นั่งหลับตาแล้วก็นิ่ง <c oughs> ทีนี้อีกวิธีการหนึ่งที่เรามาฝึกกันที่นี่เนี่ยจะต่างไป เราจะไม่เน้นให้นั่งนิ่งๆให้นั่งสงบให้นั่งหลับตานะเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดอ่อนเราจะใช้วิธีการลืมตาและให้มีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนั้นเพื่ออะไรนะก็เพื่อที่จะให้ใจเนี่ยมันมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในโลกส่วนใหญ่เราจะ หลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับการงานหลงไปกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกมันหลงลืมตัวไปใจมันไปอยู่กับเรื่องข้างนอกใจมันไปอยู่ในเรื่องต่างๆใจมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้บางทีก็ทำให้เราเมอลอยใจลอยนะหรือบางทีก็หลงไหลเพลิดเพลินนะไปกับ สิ่งเย้ายวนต่างๆหน้านที่มีอยู่ในโลกนะไม่ว่าจะเป็นรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆ อ, อ่านรสอร่อยหรือแม้แต่สัมผัสที่เป็นที่ถูกถูกอกถูกใจนะตรงนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็จะเพลิดเพลินนะแล้วมันก็จะหลงไหลแล้วมันก็จะก่อให้เกิดนิสัย นะที่จะชอบนะในสิ่งนั้นหรือชังในสิ่งนั้นเพราะนั้นตรงนี้นี่เองนะการที่เราจะให้หลุดพ้นนะจากวงจรตรงนีนะ้จำเป็นที่เราจะต้องให้ใจเนี่ยมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็คือเราจะต้องมีเครื่องล่อนะหรือว่ามีหลักนะให้ใจมันกลับมา ใจเป็นนามธรรมเป็นสิ่งไม่มีตัวตนเราไม่สามารถจะไปนึกไปคิดหรือไปจินตนาการให้มันกลับมาได้แต่มันมีเครื่องมืออันหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะเรียกกลับมาได้ก็คือกายของเรากายกับใจมันอยู่ติดกันเพราะนั้นการจะเรียกให้ใจมันกลับมาอยู่ที่กายเนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะหรือสติสัมปชัญญนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ย อาพุทธองค์น่าได้พูดไว้เมื่อประมาณ2600ปีที่แล้วในมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆก็ได้นำม า, าทาเป็นรูปแบบต่างๆหลวงพ่อเทียนเป็นท่านหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้นำวิธีการนี้โดยที่ท่านค้นพบนวิธีการนี้โดยประยุกต์มาจากสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้าจากวิธีการเรียกว่า เองนิ่งของประเทศลาวาเมื่อประมาณ50ากว่าปีที่แล้วแล้วก็มาปรับใช้ให้มันเหมาะนะกับยุคสมัยปัจจุบันการจเจริญสติด้ดยการเคลื่อนไหวนั้นนะจุดเด่นอันหนึ่งก็คือว่าให้เราเคลื่อนไหวบ่อยๆนะด้วยการยืนก็ดีด้วยการเดินก็ดีด้วยการนั่งก็ดีแตส่ส่วนใหญ่เราจะทำอยู่2อิรูยบท นะก็คือนั่งกับเดินนั่งก็คือการยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะก็ตาม15ชาจังหวะก็ตามนะที่เราทำกันอยู่แล้วก็การเดินจงกรมคำว่าจงกรมคือเดินกลับไปกลับมานะจุดประสงค์ของการทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะก็เพื่อที่จะให้ใจเนี่ยที่มันชอบละหกละเหินละเหีเลร่อนนะไปกับความคิดไปกับอารมณ์ ไปกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกเนี่ยให้มันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว mm. การยกมือนะการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีน้ําหนักมากนะมากกว่าลมหายใจนะคนที่ฝึกลมหายใจมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยลมหายใจเนี่ยมันจะเบานะแล้วก็บางทีมันก็รู้ไม่เคยชัดนะสําหรับคนเริ่มต้นใหม่นะแต่ถ้าคนที่ฝึกมานานคนที่ฝึกมาดีเนี่ยก็ น่าจะชัดได้นะแต่คนเริ่มต้นใหม่ก็ดีหรือคนที่ฝึกก็ดีเนี่ยนะการใช้กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีความชัดนะเพราะมันเป็นเป็นของที่ใหญ่เป็นของที่หยาบนะเราเริ่มต้นจากของที่ห ย, ยาบหยาของที่ใหญ่ๆมันจะชัดกว่าของที่เบาๆนะคือลมหายใจเพราะนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยนะด้วยกายตรงนี้เนี่ย นะ่เป็นสิ่งที่เราจะเรียกใจเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ได้ง่ายและได้เร็วนะในเบื้องต้นเนี่ยให้เราทำในรูปแบบให้มากๆนะสำหรับคนที่มาใหมนะ่หรือคนเก่าก็ตามนะก็พยายามทำที่จะให้ในรูปแบบมากๆหน่อยนะทั้งในลักษณะของการนั่งก็ดีในการเดินก็ดีนะการทำมากๆเนี่ยเพื่อ สร้างความเคยชินในะที่จะให้ใจเนี่ยมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวทีนี้ในระหว่างที่ทำเนี่ยนะมันก็จะมีสิ่งแทรกซ้อนขึ้นมาซึ่งสิ่งแทรกซ้อนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พยายามไม่ให้เราทำนะสิ่งแทรกซ้อนคืออะไรสิ่งแทรกซ้อนก็คือความง่วงความเบือ่อความฟุ้งซ่านนะความสงสัยลังเล สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะแทรกซ้อนเข้ามาโดยเฉพาะความง่วงคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยนะพอออกจากความคิดเนี่ยมันก็จะง่วงเพราะฉะนั้นความง่วงเนี่ยนะบางคนบอกเป็นอุปสรรคเป็นนิวร์มากรางกัน้นถ้าตามตามตามทฤษฎีตามปริยัตก็ใช่แต่เราสามารถจะอุ ป, อปสรรคนะเปมาเป็นอุปกรณ์ได้ มาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ก็คือมันง่วงเราไม่ทำตามมันนะใหม่ๆเนี่ยก็ต้องอาศัยขันติหน่อยอาศัยความอดทนหน่อยสติมันยังไม่แจ่มชัดก็อาศัยความอดทนใช้ขันติมันจะง่วงจะให้เราหลับตาเราก็ไม่หลับลืมตามันจะให้เราระงบเราก็ไม่ะงบเราก็ลืมสู้กับมันนะ ยกมือใหม่ๆก็ทำช้าๆให้มันชัดๆนะทำไปทาไปมันชักอัตโนมัติมันชักเบลอๆนะเราจะหยุดสักนิดหนึ่งนะพักหายใจก็ลึกๆหายใจใ้มันสบายนะการฝึกเนี่ยส่วนใหญ่นะคนใหม่ๆเนี่ยที่มีความตั้งใจมากๆเนี่ยจะมีการเพ่งการจ้องเป็นธรรมดานะแต่ว่า เมื่อเรารู้สึกว่ามันตึงๆมันหนักๆเนี่ยเราก็คลายซะหน่อยหนึ่งวางกายคลายวางใจกลางๆไม่เพ่งไม่จ้องไอพูดเนี่ยมันพูดได้นะแต่ถึงเวลาทําจริงมันมันมันมันทำไม่ได้เหมือนกันนะเส้นสมัยเทตมาไปฝึกใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันเพ่งมันจ้องเหมือนกันแต่ตรงเพ่งตรงจ้องเนี่ยไม่เป็นไรนะถ้าเรารู้ทันเราก็พยายามคลายออกมองออกไป ไกลๆไม่ใช่ไปมองจุดใดจุดหนึ่งเวลาเรามองเนี่ยอย่าไปมองเพ่งจุดเดียวจะมองธรรมดาๆรรวางกายก็ธรรมดาๆรรนะไม่ต้องไปตั้งใจมากจนเกินไปมันจะอึดอัดมันจะเครียดนะตรงนี้ให้เราสังเกตร่างกายของเรามันจะบอกทีนี้ในการเดินก็เหมือนกันนะการเดินจงกรมก็อย่าไปเดินแบบ ย่องยองนะเหมือ น, นว่ายกย่างเยียบอะไรงั้ยนะช้าช้าให้เดินธรรมดาธรรมดาเหมือนเราเดินาตามปกตินะแต่ว่าพยายามที่จะรู้สึกตัวมีเจตนาที่จะรู้สึกกับเท้าที่ก้าวแล้วก็สัมผัสกับพื้นนะพื้นมันสักษาพื้นมันแข็งมันอ่อนมันนุ่มหรือมันแข็งอย่างไรรู้เฉยๆนะไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์นะ รู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านอนะันี้เป็นจุดเริ่มต้นนะก็คือมารู้ที่กายเคลื่อนไหวทีนี้การฝึกเนี่ยนะเราจะต้องทําให้มันต่อเนื่องนะอย่างเช่นนั่งเนี่ยลองนั่งดู15นาที30นาทีนะมันนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยความปวดความเมื่อยเนี่ยก็เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะที่จใจเรามาเรียนรู้ว่า มันนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยอย่าพึ่งเปลี่ยนอย่าทําอะไรตามความปวดความเมื่อยให้มันขอเราสักสามครั้งโปวดครั้งที่หนึ่งเออจะเปลี่ยนแล้วนะไอ้ยังไม่เปลี่ยนทําไปเรื่อยๆยกมือสร้างจังหวะไปมันขอครั้งที่สองเอออย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอันนี้คือจะเป็นการยับยั้งชั่งใจฝึกไม่ทําอะไรไปตามความปวดความเมื่อย นะทำไปทำไปครั้งที่สามาค่อยเปลี่ยนให้มันค่อยๆเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวมีสติกับการเปลี่ยนนะตรงนี้มันจะทำให้การเจริญสติของเรามีความต่อเนื่องนะเราไม่ทำอะไรแบบปุ๊บับปุ๊บับนะมีการยับยั้งชั่งใจนะทำอะไรให้ช้าลงนิดหนึ่งอยู่ที่วัดป่าสุขโตเนี่ยเวลาเป็นของเราเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเป็นของเวลา ใช่ไหมเดี๋ยวทําให้หนุ่นเดี๋ยวทำให้นี่อยู่ที่นี่เนี่ยมีเวลาเหลือเฟือเพราะฉะนั้นใช้เวลาเนี่ยทุกเวลานาทีให้เป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวแม้เราจะเปลี่ยนอีระบถมันปวดมันเมื่อยก็เรียนรู้มันลองทนดูซิมันจะทนได้สักเท่าไหร่ถ้าทนได้ลองทนนะบางทีมันทนจนมันหายปวดเลยก็มีนะแต่ถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆก็เปลี่ยนได้ แต่เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวเปลี่ยนด้วยไม่ใช่ให้ความปวดความเมื่อยมาทําให้เราเปลี่ยนแล้วถ้าดูให้ดีเนี่ยนะความปวดความเมื่อยเนี่ยบางทีนะมันจะไปทําให้เราเห็นจิตที่มันหงุดหงิดเนะี่ย ม, มันไม่ไหวเลยมันปวดเมื่อยบางทีก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นานาจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยนะขาเราเป็นเด็บ นะอย่างคราวที่แล้วที่กลุ่มคอร์เข้มนี่ท่านจารย์ทรงสิล์ให้นั่ง3มวันนะนั่งติดกัน3วันโดยที่ไม่ไม่ไม่ลุกเดินเลยนะเปลี่ยนแค้ไปตอนไปเข้าห้องน้ำหลายคนบอกโอ้ยไม่ไหวพิการแน่คิดไปถึงขนาดถึงงั้นแต่สุดท้ายก็ผ่านได้นะแต่สำหรับคนที่เริ่มใหม่เนี่เรายังคงไม่ต้องไปตามถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวมันจะเข็ดซะก่อน เดี๋ยวมันฉลาบซะก่อนเอาพอเหมาะพอดีแต่ว่าให้มีความรู้สึกตัวในการเปลี่ยนอิริยาบถไล่สังเกตนะความปวดขเมั้ยพอเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยโอ้หมันสบายใจมันก็ชอบไปด้วยมันยิ้มไปด้วยแต่กี้นี้โอ้โหหงุดหงิดจริงๆเลยหนี่ให้ดูให้สังเกตดูเพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยนะไม่ต้องไปอื่นไกลเลยเรียนธรรมะเรียนตรงเนี้ย เรียนตรงที่ความเจ็บความปวดความคลายออกนะจากสิ่งที่มันแปลแปลเปลี่ยนไปนี่แหละเราก็เห็นโอมันเป็นอย่างนี้เองเนาะร่างกายมันก็ปรับเปลี่ยนได้ผ่อนคลายได้จิตใจเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้โอ้มันอย่างนี้นี่เองเพระาะนั้นธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะและเป็นเรื่องที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้อย่างง่ายๆไม่ยากอะไรนะไม่ต้องใช้สับแสงอะไรมากมายนะ ตรงนี้นี่เองนะการเจริญสติเนี่ยเมื่อใจเนี่ยมันมาอยู่กับกายบ่อยๆเรารู้สึกที่กายบ่อยๆเนี่ยใจมันก็จะไม่วอกแวกไปแต่แน่นอนสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะมันอดไม่ได้หรอกที่มันจะต้องคิดเรื่องน้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นให้มันคิดขึ้นไปอย่าไปห้ามมันอย่าไปกดมันให้มันคิดขึ้นมาให้มันฟุ้งขึ้นมาแต่ไม่ตามมัน คิดอะไรก็ตามไม่ตามมันกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวตรงจุดนี้แหละมันจะเป็นการฝึกให้เรามีนิสัยใหม่แต่ก่อนเรามีนิสัยที่จะทำอะไรไปตามความคิดความคิดมันเป็นเจ้านายเรามันเป็นผู้บงการเราให้เราดีใจเสียใจให้เราโกรธให้เราโลภนะให้เราชอบใจไม่ชอบใจต่อไปนี้ไม่ให้ค่ามันเลย มันคิดขึ้นมาทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวคิดอะไรขึ้นมากลับมาเลยกลับมาให้ได้บ่อยๆใหม่ๆเนี่ยกำลังความคิดมันแรงมันทิ้งไม่ได้หรอกบางทีมันต่อเนื่องต่อแย่ไปโดยเฉาะยิ่งความคิดที่มันฝังใจที่ประทับใจเนี่ยมันจะไม่สลัดง่ายๆมันทิ้งยากแต่ไม่เป็นไร อย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นความคิดแล้วแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นความคิดเลยแต่ก่อนเนี่ยมันคิดอะไรเราก็เตลิดเปิดเปิงไปกับมันมันสั่งให้เราดีใจเสียใจสั่งให้เราร้องไห้สั่งให้เราหัวเราะนะต่อไปนี้เราไม่ทาตามมันนะเรามีคนที่จะมาช่วยเหลือเราคือความรู้สึกตัวจะเปลี่ยนใหม่มันจะเป็นนิสัยของความรู้สึกตัว ไม่ใช่นิสัยที่หลงไปกับความคิดนะตรงนี้นี่แหละนะเป็นสิ่งที่เราจะได้ฝึกนะเพราะนั้น <c oughs> ความคิดบางความคิดเป็นความคิดที่ไม่ค่อยสำคัญนักนะไม่ประทับใจไหมมันจะ น, นี่มันจะหลุดง่ายทิ้งไปเลยแล้วกลับมาส่วนไอ้ที่มาหลุดยากไม่เป็นไรนะกลับมาได้บ่อยๆนะใหม่ๆ ม, มันก็อึดอัดหน่อยยากหน่อยนะเพราะนิสัยเก่าๆ เ, เราตั้งแต่เด็กอะนะ มันสั่งสมมาเท่าไหร่อ่ะนิสัยความเคยชินเพราะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามใช้ความอดทนใช้สติใช้ปัญญานะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนกันเพราะนั้นก็เรียกว่าฝึกฝนอบรมฝึกฝนฝนจิตใจอบอบมันก็ร้อนหน่อยนะมนะมันก็ร้อนหน่อยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัย ความอดทนในเบื้องต้นนะขันตีปรมังตะโปติทิขาเขาบอกว่าขันตินะเป็นตะบ ะ, ะเผากิเลสอย่างยิ่ง น, นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใช้กันในช่วงระยะเริ่มต้นสองสามวันแรกๆเนี่ยอึดอัดหน่อยทรมานหน่อยนะลำบากหน่อยนะแต่ถ้าเราผ่านสาวันไปได้เนี่ยจะสบาย น, นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนนะคงเคยผ่านประสบการณ์นะแล้วก็เป็นทางที่จะต้องผ่านไปอ่านพุทธประวัติก็ดีไปอ่านเรื่องราวของกูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยท่านก็เดินผ่านมาอย่างนี้ผ่านความยากลําบากนะผ่านความที่ไม่สามารถที่จะผ่านความคิดได้นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีกันอยู่ แล้วเราก็จะเดินผ่านไปทางเนี้ยนะเพราะฉะนั้นการที่เราพยายามที่จะกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวให้ได้บ่อยๆตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สติเนี่ยมันจะทะลุทะลวงเข้าไปในกายในใจของเราเป็นตาวิเศษนะหลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าตาวิเศษเป็นตาใจที่จะเข้าไปดูไปเห็นอาการของกายอาการของใจ อาการของกายก็มีเย็นร้อนมีปวดมีเมื่อยนามีครันเนื้อครันตัวโดยเฉพาะมาช่วงนี้อากาศหนาวบางคนอาจจะปรับตัวยังไม่ได้มีปวดหัวตัวร้อนบ้างเป็นไข้บ้างนะอันนี้เป็นอาการที่ก็จะแสดงออกมาซึ่งให้รับรู้แล้วก็ไม่ต้องไปตกอกตกใจรู้ไปเดี๋ยวมันจะคลายไปเอง เห็นอาการของจิตใจที่มันคิดนึกไปนในเรื่องราวต่างๆอาจจะเป็นเรื่องในอดีตก็ดีเรื่องในอนาคตก็ดีเรื่องการเรื่องงา น, นาเรื่องต่างๆสารพัดที่จะนึกคิดขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นก็าตามกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวเป็นเคล็ดลับสำคัญในการฝึกลกลับมารู้สึกตัวที่กายบ่อย แตนะเมื่อรู้สึกตัวที่กายบ่อยๆเนี่ยมันจะมีหลักให้กับใจนะที่ใจจะไม่ละเหยเลื่อนไปกับความคิดนะตรงเนี้ยตาวิเศษก็คือตาใจมันจะเปิดขึ้นแรกๆมันก็ยังไม่ค่อยชัดหรอกมันจะสะลัวๆมัวๆเหมือนกับตอนเช้ามืดนะนะแต่เราทําไปเรื่อยๆนะมันก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นตาใจมันก็จะสว่างขึ้นมันก็จะเห็นชัดขึ้น นะเห็นอาการของกายเห็นอาการของใจนะที่มันแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรานะซึ่งตรงเนี้บางทีเรานั่งไปนานๆเราทําไปนานๆเราก็เบื่อเบื่อกายที่มันทุกข์มันหนักเนะมันจะเกิดความเบื่อความหน่ายขึ้นมาแล้วนะมันก็จะเกิดการที่เบื่อหน่ายนะแล้วก็พยายามที่จะปล่อยวางนะความปล่อยวางนี้มันเกิดจากการที่เรา สัมผัสดูบ่อยๆดูแล้วดูอีกนะไม่ใช่เป็นนึกไปคิดเอาการฝึกเจริญสติไม่ต้องใช้ความคิดแต่ใช้ความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดรู้ความคิดนี่ทิ้งไปหมดเลยนะคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาคิดวางแผนในอนาคตก็ไม่เอากลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวความคิดเนี่ยมันพาเราไปอดีตบ้ง อนาคตบ้างหนะรืแม้แต่ในปัจจุบันก็มีเหนะมือนกันนะบางทีวิพากษ์วิจารณนะ์ความคิดเพราะฉะนั้นให้เรารู้สึกตัวบ่อยๆความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นธรรมชาติของการตื่นรู้เป็นธรรมชาติของใจที่มันจะตื่นรู้นะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ความที่เราไม่เคยได้มาฝึกไม่เคยได้มาสังเกตไม่เคยได้มาทําเราก็เลยไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ น ะ, ะเพราะฉะนั้นการที่เรามาใช้เวลาใช้ชีวิตนะที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเรามาทําเรื่องนี้เรื่องอื่นวางไว้ก่อนนะเดีเพราะคนที่มีเวลาน้อยมาเจ็ดวันเรื่องอื่นวางไว้ก่อนที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างอาหารการกินที่อยู่หลับนอนกิ จ, จวัตรประจําวันนะเรื่องอื่นไม่ต้องกังวลเลยนะให้เราสนใจ นะที่จะมีความรู้สึกตัวนะที่กายเคลื่อนไหวเมื่อรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆมันจะปเป็นใจที่นึกคิดและเมื่อเห็นใจที่นึกคิดแล้วมันจะไม่โดนความคิดหลอกเอาหลอกให้ทุกข์หลอกให้สุขหลอกให้ดีใจหลอกให้เสียใจนะเราก็จะเห็นความเป็นปกตินะของใจนะที่มันมีอยู่เป็นปกติเป็นธรรมดา ความเป็นปกติของใจนี่แหละนะที่ทำให้เราไม่บ้าทำให้เราไม่เป็นโรคประสาททำให้เราไม่ต้องทุกข์อกทุกข์ใจมันเป็นตัวปรับสมดุลเป็นธรรมชาติดั้งเดิมเดิมแท้ที่มีอยู่ที่มันมีอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรและเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนและประณีตเป็นสุขที่เหนือสุขที่ได้จากการลิ้มรสจากโลก เราคุ้นเคยกับความสุขที่ได้จากการได้เห็นอะไรสวยๆได้ลิ้มรสอะไรอร่อยๆได้หอมกินอะไรหอมๆนะซึ่งในภาษาบาลีเขาเรียกว่ากามสุขนะคำว่ากามในที่นี้ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเพศสัมพันธ์ไม่ใช่อันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ว่ามันมันมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ส่วนที่ละเอียดก็คือไอ้ตายเห็นรูปแล้วพอใจยินดีรักใครอยากให้มันมีอยู่กับเราตลอดนั่นแหละคือการรมนะหรือแม้แต่การกินอาหารอร่อยๆแล้วติดอกติดใจนะตรงนี้ก็เป็นการรมเหมือนกันไอ้กามนี่แหละมันผูกรัดรัดลึงนะทำให้เราเนี่ยนะไม่สามารถที่จะออกจากบ่วงของมันได้เราก็เลยติดอยู่ตรงนั้นและกามนี่แหละมันมีรสชาติที่ มันยั่วยวนชักชวนให้เราติดหลงแล้วมันก็ไม่เที่ยงด้วยเดี๋ยวมาก็ไปมันสุขแป๊บเดียวนะแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อสุขจางหายทุกมันก็มาทันทีนะตรงนี้ก็ทำให้เราต้องวิ่งหาเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยกับการแสวงหาความสุขชนิดนี้อย่างไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าเราได้มาสัมผัสกับความเป็นปกติของใจ แตนะ่ถึงเป็นสุขที่ประนีตเป็นสุขที่มีอยู่แล้วเป็นสุขที่ไม่ต้องไปวิ่งแสวงหาจากที่ไหนแต่เกิดจากการที่เราฝึกเจริญสตินะที่หัดปล่อยหัดวางความคิดหัดปล่อยหัดวางความอยากทั้งหลายเนี่ยนะเราก็จะได้สัมผัสความสุขที่ประณีตความสุขชนิดนี้เนี่ยไม่มีขายที่ไหนใช้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็หาซื้อไม่ได้ใครทําให้กันก็ไม่ได้ ต้องทำด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นการที่เรามาที่นี่เนี่ยเราก็มุ่งหวังนะที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่เป็นสุดยอดนะที่พุทธองค์ได้กล่าวไว้ก็คือความเป็นปกติสุขนะของใจนะที่สัมผัสได้เมื่อเกิดการปล่อยวางนะจากสิ่งที่เราเคยยึดถือเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นกายเป็นใจเป็นความอริดอร่อย นะในสิ่งที่เราคุ้นเคยนะตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราสัมผัสสุขที่ประนิทแล้วเราจะกินข้าวไม่อร่อยนะก็ยังอร่อยเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าเรารับรู้รสมันแล้วไม่ได้ถึงกับติด อ, อกติดใจรู้มันเป็นธรรมชาติทำให้เราจเจริญอาหารการดำเนินชีวิตเราก็ยังเป็นกปกตินะเพียงแต่ว่าเราไม่ทุกข์กับมันละ ในการงานในชีวิตประจำวันนะหรือในสิ่งที่เราสัมพันธ์เกี่ยวข้องนะแทนที่เราจะใช้ความเคยชินใช้อารมณ์ทำอะไรไปตามอารมณ์เนี่ยเราก็จะทำอะไรไปด้วยสติปัญญานะมันไม่ได้ทำอะไรไปตามอารมณ์มันจะใช้สติปัญญามจะมีการใครครวนก่อนพูดก่อนทำนะก่อนคิดนะมันจะคิดก่อนนะแล้วก็พูดแล้วก็ทำ ตีนี้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์เนี่ยนะมันก็รู้ว่าควรจะทำอะไรควรจะพูดอะไรเวลาไหนนะจึงจะเหมาะตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์นะสำหรับการที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเพราะนั้นการมาฝึกเจริญสตินาะที่วัดป่าสุขตะแวงนี้เนี่ยก็มีจุดพุ่งหมายตรงนี้นะที่เราจะได้รับประโยชน์เพนะราะนั้นการมาป่าสุขโตเนี่ย อาตมาในความคิดของอาตมานะสิ่งที่ควรจะได้รับไปคือตรงนี้นะไม่ใช่มาแล้วสบายอยู่สบายกินสบายนอนสบายอากาศดีอะไรเงี้ยนะแต่ควรจะได้มีโอกาสได้เผชิญกับความทุกข์ยากจากการฝึกงานแล้วก็ผ่านมันได้แล้วก็มีความรู้สึกตัวที่เกิดจากการพัฒนาแล้ว สติสัมปชัญญะที่เกิดจากการพัฒนาแล้วติดตัวกลับไปเพื่อจะอไว้ใช้ในการดำเนินชีวิตนะให้เป็นปกติสุขนะเป็นสันติสุขนะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วก็ไปเผื่อแผนะ่กับคนในครอบครัวเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างต่อไปนะนี่ก็จะเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับนะจากการมาวัดป่าสุกโต เพราะนั้นก็จะสรุปในเบื้องท้ายนี้นะครับว่าการมาเจริญสติที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราก็จะเน้นนะการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวไม่นั่งนิ่งๆ น, นะลืมตาแลนะแล้วก็พยายามทําในรูปแบบให้มากๆนะอ้ออีกอันนึงที่ไม่ควรจะลืมก็คือว่าการเจริญสติเนี่ยอย่าทําเพียงแค่ในรูปแบบพอเลิกปุ๊บ ไม่ทำเลยไปคุยกันจับกลุ่มคุยกันทำนู่นทานี่การเจริญสติเนี่ยจะได้ผลต้องทำให้ต่อเนื่องนอกรูปแบบด้วยในกิจวัตรประจาวันนะโดยเฉพาะคนที่มีเวลาน้ น, น้อยเนี่ยนะปิดวาจาเลยเป็นเตมีใบเลยจะดีคุยกัน น, น้อยๆหรือไม่คุยกันเลยได้จะดีมากๆนะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยเรามีเวลาคุยกันข้างนอกเยอะๆเนาะ การคลุกคลีหมู่คณะนี่ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เราเสียเวลาแล้วก็จะทำให้สติของเราไม่พัฒนาไม่เจริญการอยู่ในหมู่กลุ่มคลุกคลีกันเนี่ยมันจะทำให้เราคุยกันสนุกคุยสนุกเนี่ยมันเพลินไปแล้วมันเกิดรูรั่วแล้วสติของเราไม่ต่อนเนื่องแล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่คุยกันเลยนะ ถ้าไม่จําเป็นจริงๆอยาคุยกันเลยโดยเฉพาะคนที่มาด้วยกันนะเป็นไปได้เนี่ยโดยเพราะอยู่ห้องเดียวกันด้วยนะกลับไปเนี่ยพยายามเงียบเลยต่างคนต่างอยู่เลยลองดูซิสักเจ็ดวันมันจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นสติเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะถ้าเราไม่ไม่พิถีพิถันไม่ประณีตเนี่ยมันก็เกิดผลช้าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นะ ในชีวิตประจําวันเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนนะจนเข้านอนนะให้มีความรู้สึกตัวทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบนอกรูปแบบอย่างเช่นว่าตะกี้เนี่ยเราไหวพระสวดมนต์เราสังเกตไหมเรารู้กับบทสวดมนต์หมหรือขณะที่สวดมนต์ไปใจก็คิดไปเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้เราไม่ได้อยู่กับบทสวดมนต์นะนั้นคือเราพลาดโอกาสไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเนาะ ก็เริ่มต้นใหม่เดี๋ยวเราพอกลับไปที่พักนะเราก็เดินลงไปจากศาลาต่างคนต่างไปนะไม่พูดไม่คุยกันไม่ส่งเสียงดังนะเพื่อทําบรรยากาศที่นี่ให้เหมาะนะเป็นที่สงบสงังต์นะแกการที่เราจะเจริญสตินะไปถึงที่พักก็หลับนอนนะถึงเวลานอนก็นอนไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะบางคนเนี่ย ถึงเวลานอนไม่ยอมนอนคิดเรื่องโ น, น้นคิดเรื่องนี้แต่พอเวลามาฝึกจะนอนเออมันก็มีอย่างนี้เหมืนอนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฝึกตัวเองให้ดีๆนอนนะถึงเวลาตื่นนะก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวล้างหน้าล้างตาแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวสังเกตไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูนะแปลงฟันนะพรุ่งนี้เช้านะแต่ก่อนเราแปลงฟันไปคิดเรื่องโ น, น้นคิดเรื่องนี้เอาใหม่ทีนี้ พอมันคิดแว บ, บไปเอ๊ะเรากลับมาอยู่ตรงมือที่แปลงฟันเนี่ยมันคิดแว บ, บไปกลับมาอยู่ตรงแปลงฟันเนี่ยอันนี้เป็นความเป็นการเจริญสติกับการแปลงฟันได้ด้วยล้างหน้าล้างตาขับถ่ายอุจลรัปัสสาวะด้วยความรู้สึกตัว น, นี่ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะมีชัดเจนในมาสติปฐานสูตรเนี่ยเพระาะฉะนั้นเก็บที่หลับที่นอนพับผ้าเรียบร้อยอ น, นี่ก็เป็นสติเหมือนกันนะไม่ใช่ วางทิ้งเลี่ยนลาดไว้นะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บทีหลังอะไรอย่างนั้นนะเหมือนกับเด็กฝรั่งที่มาเดือนที่แล้ววางแล้วเกละกาประกอบว่าตะขาบมันเข้าไปอยู่เนาะโดนตะขาบกัดอะนนี้ก็เรียกว่าไม่มีสตินในการที่จะใช้ชีวิตการกิ น, นการกินการเคี้ยวอย่างละเอียดมีความรู้สึกตัวไม่ใช่กินไปคุยไปนะกินไปก็ คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราจะทําได้ทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบเรียกว่าเฉยโอกาสนะทุกเวลานาทีให้เป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวใหม่ๆ ม, มันจะเครียดนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเราค่อยปรับนะอาจจะเพง่งอาจาจะจ้องไป บ, บ้างไม่เป็นไรแล้วค่อยปรับนะเหมือนกับเราขี่จักรยานนะใหม่ให ม, ม่มันก็เก่งเก๊เก่งเก่ ง, กงะนะแล้วเราค่อยๆปรับไปนะมนก็จะผ่อนคลายมันก็จะ ค่อยๆดีไปนะตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเรานะทั้งคนเก่าคนใหม่นะแล้วก็คนที่มานะที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ล้กนะก็คิดว่าสิ่งที่พูดไปนะคงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะสำหรับการที่จะใช้เป็นแนวทางในการที่จะฝึกนะก็ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอ อ้างอิงเอาุลของพระศีรษะนาฏย์นะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะนะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือเศรษธรรมความจริงเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราและก็นอกตัวเราที่แสดงให้เราเห็นข้างนอกใช้ตาเนื้อข้างในใช้ตาใจคือสติสัมปชัญญะนะ แล้วก็พระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติที่เราทำอยู่นี่แหละเพราะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่ในตัวเราให้มีความเพียรนะมีความพยายามนะมีความอมดทนนะและก็มีความตั้งใจในการที่จะใช้เวลาให้เป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวทุกเวลานาทีใหเ้เป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวก็ขอให้ ผลของการปฏิบัตนะิจากการตั้งใจนี้นะให้ทุกท่านนะได้ประสบพบเห็นนะความเป็นปกติของใจในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร